Book 2สิบเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้เมื่อวานเป็นวันเสาร์เมื่อวานผมไปดูหนัง โนโหนังน่าสนใจ ว, วันนี้เป็นวันอาทิตย์ยวันนี้ผมไม่ทำงานผมอยู่บ้าน พรุ่งนี้เป็นวันจันทร์พรุ่งนี้ผมไปทำงานอีกผมทำงานที่สำนักงานิานนานคนนั้นคือใครคนนั้นคือปีเตอร์ เปีเตอร์เป็นนักศึกษาปีเตอร์ student คนนั้นคือใครคุณเฮตาคนนั้นคือมาตาเฮตามาตมาตาเป็นเลขานุกรานมารตาสักกตาร์ก ปีเตอร์และมาตาเป็นเพื่อนกันปีเตอร์อีมาร์ตตเซบริปีเตอร์เป็นเพื่อนของมาตาปีเตอร์เซบาร์มาร์ติมาตาเป็นเพื่อนของปีเตอร์มาร์ตเซบรูกาปเตรากรุณาไปที่